สประวัติวาน 2. นิโรทวาน 1. ปัจจุบันนาวานอนุโลมบุคคล 99. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชชาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกระดของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพัคนคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลเหล่านั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะ ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวโกา ร, รภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็กำลังดับปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะ บุ <mister ius> คคลทั้งหมดผู้กําลังจติในพังคข้านาแห่งจิตที่วิทยุจจากกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังดับในพังค์ข้าแห่งสภาวธรรมที่เป็นก um ุศลในปัญจโวการภูม <terme> <citizens> ิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังดับหนึ่งออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกระตของบุ้คลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมปิจจัชนาในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลเหล่านั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกระดตไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอก wow ุศลของบุ้คลเหล่านั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกระดตก็กําลังดับปฏิรมปปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระิตของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังฆาณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดตของบุ้คลเหล่านั้นกําลังดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังดับในพัคนคขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจวโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของมุกตินั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังดับอนุโลมโอกาส101อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใมดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัิชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตรกำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตรกำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับ1 0ึสอง อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในอสัญญาัตุภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตรกำลังดับ แต่สภาธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังดับในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในภูมินั้นสภาธรรมที่เป็นอัพยากฤตกําลังดับและสภาธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังดับอนุโลมปุกคโลกาต103ออนุโลมปุจฉาสภาธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนะไม่ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนะไม่ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิตัิชนาะในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่กำลังดับในพังฆขนาดแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็กําลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัิชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขั้แห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลในประวัติการ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิ verbal. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับ104อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอักุศลของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขฆาณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่กำลังดับในพังค์ฆาณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็กําลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤกิตของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูม่มนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ฆาณะแห่งจิตที่วิปรยุติจากอกุศลในประวัติการ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตขับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่ pues เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังดับในพันคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตขับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังดับปัจจนิกบุคคลหนึออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กรรมังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กรรมังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคข้านาดแห่งสภาปธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กรรมังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กรรมังดับในอุปาทขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์ข้านาแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลและอกุศล บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาสัตตภูมิสภาประธานที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาประธานที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโรมปุชชาสภาประธานที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาประธานที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนา ในปังข้ณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลมิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังข้าณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากกุศลและอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัดและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญสัต ภ, ภูมิ ส ภ, สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นนพยากริศของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลในประวัติการ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัตในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริดก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสภาธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลนะใ น, ขข น, น, ในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทาขศนาแหง่งจิตในประวัติการ ในพังค์ข้าขนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใน ร, ฤฤรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตองบุขคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กําลังดับ1 0ึ่ อ, อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคลใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตอง บ, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ ในพังค้าขณาแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤตไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาขขณาแห่งจิตในประวัติการในพังขขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในวรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับ และสภาบธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉา e. สภาบธรรมที่เป็นอ e. ัพยากฤิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาบธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจติชนาในพังคขณะแห่งสภาบธรรมที่เป็นอกุศลในอรูปประภูมิสภาบธรรมที่เป็นอัพยากริตของผุ้คลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาบธรรมที่เป็นอกุศลมีใช่ไม่กำลังดับ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัตในอุปาทะขณาแห่งจิตในประวัติการในพังคขคณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นนักพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นนักกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับปัจจณีกโอกาส 107. อ, อนุโลมปุชชาสภาธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กาลังดับ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 ในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลและอกุศลบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับ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 ในอุปาทขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคัณะแห่งจิต ท, ที่เวิปยุทธจากอากุศลและกุศลบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังขัคคนาแห่งจิต ท, ที่วิบปยุทธจากกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต ม, มีใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัตในอุปาทขนาแห่งจิตในประวัติการ ในพังค์ข้าคณะแห cheating, ่งสภาวธรรมที่เป okay. ็นอกุศลในรูปปภูม er ิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนา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 ปฏิรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมพิจัดชนาะในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลแนวรู ป, ปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลมิใช่ไม่กําลังดับ บุคคลทั้งหมดผู้กาลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการในพังทคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในอรู ป, ปรภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัปยากริของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับ 2. อ, อตีตวานอนุโลมบุคคล111 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะ ของบุคคลนั้นก็เคยดับชใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมป allora. ุจฉาสภาวธรรมทนะี่เป็นอัพยกฤะษของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่หนึอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริ th Son, Arthur, th iTunes, ตของผู้คลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมโอกาส113อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่ ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนะใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนะใช่ปฏิโรมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจติชนาในอจัญจัตตะภูมิ M, ในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยดับในจตุโการาภูมิและปัญจโวการาภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ เ, ลเคยดับ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 เคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยดับในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภ on นะูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิตเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยดับอนุโลมปุคโลกาตหนึอสิบหอนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ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 บุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยดับ116อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตัชชนาะใช่ ปฏิโมมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอははนันนยพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยดับ บุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวโการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยดับปัจจินีกับบุคคลหนึ่งร้อสิบเจ็อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจชนะนาไม่มี ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุ้คลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที <me aning analysis> so ่เป <aning> ็นอัพยากริตของบุคคลใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มี118่อ11อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคนคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกรฤตของบุคคลนั้ น, น, นกนนไ็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกรฤตของบุคคลใดไม่เคยดับ สภาประธมที่เป็นอกุศลของบุคคนนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิสัดชนาไม่มีปัจจณีกโอกาส119อนุโลมปุจฉาสภาประธมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาประธมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิสัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาประธมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยดับ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 วิจัชนาไม่มีหนึ่งร้อยยี่สิบอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกะ ปุกคโลกาดหอสิบเอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะเมื่ออกุศลและจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชชนะใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคล <c oughs> น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตอยูญญ่ในอสรยัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยาก ฤ, ฤิมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิสภาวรธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวธรวรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะใช่หนึอยยอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะ<ม>เมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่ บุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤตม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤิตก็ไม่เคยดับปฏิโดมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภุม่มนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจตัชนาใช่ 3. อนาคตาวานอนุโลมบุคคล123อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจักดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขณาแห่งอรหัตมักบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นก <standard> ุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับ ปฏิโลมปุชชาสภา ว, ร of of ภา ว, รวธรนะร ม, รร ท, มที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งอรหัตมักอรหันตับุคคลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัิยากริตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จักดับ124 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตมักอรหันตบุคคล บุคคลจักได้อัรตมักในลำดับแพ่งจิตใดในลำดับแพ่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตของบุคคลนั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับอนุโลมโอกาส125ออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุกกลอกลกศยยกชชกลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมละอนุโลมปุตคโลกาตหนึอยยอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจชนาะ ในอุปาทัศนาแห่งอรหัตมรัคษบุคคลจักได้อรหัรมรักษในลำดับแห่งจิตใดในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลก็จักดับปฏิโรมปุจฉา สภาธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระษของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะษของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคขนาแห่งอรหัตมักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจญยรยัจตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตวโวกา ร, รภูมิและปัญจโวกา ร, รภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นจักดับแด้สภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จักดับ127อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดายจักดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัิชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงไดอารหัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักไดอรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัดอยู่ในอรฐญนยตัตภูมิสภาวธรรมที่เป็นหนับพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตวโวกรรภูมิและปัญจวโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปัจจณีกับบุคคลหนึ 128. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่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 อรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชชาในพังฆขณะแห่งอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่จักไม่ดับในพังคข้าณาแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่ใช่จักดับปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัดชนาะใช่1นึยย อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศสนของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้พร้อมเพียงไดอารัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อารัตมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศสนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ไม่ใช่จักไม่ดับในพังขา้าณาแห่งปัติิมมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาประธานที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดั บ, บใช่ไหมวิจัดชนาใช่ <as> <win. as a stone> ปัจจณีกโอกาศหนึ่งร้อยสามส อนุโลมปุจฉาสภวาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมละปัจจณีกับปุขคโลกาดหนึออนุโลมปุจฉาสภวาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา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 แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักไม่ดับในพังขณะแห่งอรหัตม네ักอรหันต์บุคคลบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาตัดตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาะในพังคขาณะแห่งอรหัตมักอรหันตตบุคคลบุคคลผู้บัติอยู่ในอัจฉริยตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขนาณแห่งปัจฉิมจิต สภาปะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากระตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากระตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่หนึอนุโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอนกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริศของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยร ห, รหัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้รหตมักในลำดับแห่งจิตใดในมุงเลบในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอนกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมนั้นไม่ใช่จักดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ขาคณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที <aya> ่เป็นอกุศลของบุคคลเนั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา ใช่